จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจขุสลทุกทุ ก, ทกทานวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่17เิธุนายนพุทศศกราช2555เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆ จึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญให้ทานมารักษาสิงมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมศรัทธาให้มีความแ ก, ก่กล้ามีความเหนียวนั่นมีความมั่นคงต่อพระพุทธศาสนาเพราะการฟังธรรมจะทำให้เรากำจัด ความสงสัยความลังเลในเรื่องของพระพุทธเจ้าในเรื่องของพระธรรมคำสอนในเรื่องของพระอริยสงสาวกในเรื่องของบุญในเรื่องของบาปในเรื่องของผลของบุญคือสวรรค์ในเรื่องผลของบาปคือนรกในเรื่องของกรรม คือการเวียนว่ายตายเกิดและในเรื่องของมรรคผลนิพพานการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราฟังอยู่เรื่อยๆต่อไปเราก็จะไม่สงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่เพราะทำคำสอนเป็นคำสอนที่จริงแท้หรือไม่พระอริยสงสาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มีจริงหรือไม่นรกมีจริงหรือไม่สวรรค์มีจริงหรือไม่บาปบุญมีจริงหรือไม่การเวียนว่ายตายเกิดมีจริงหรือไม่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดคือการ บ, บรรลุ ถ, ถึงมรกผลนิพพานมีจริงหรือไม่สิ่งเหล่านี้จะหายความสงสัยในสิ่งเหล่านี้ จะหายไปจากใจของเราถ้าเราฟังอยู่เรื่อยๆถ้าฟังจากผู้ที่รู้จริงเห็นจริงผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรืออ่านจากหนังสือพระไตรปิฎกเราจะได้เข้าใจอย่างแท้จริงว่านรากสวร์อยู่ที่ไหนการเวียนว่ายตายเกิดใครเป็นผู้ไปเวียนว่ายตายเกิด และใครเป็นผู้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดสิ่งเหล่านี้ศาสนาชี้มาที่ใจของเราทั้งหมดบุญก็อยู่ที่ใจของเราบากก็อยู่ที่ใจของเรานรกสวรรค์ก็อยู่ที่ใจของเราผู้ที่จะไปเวียนว่ายตายเกิดก็คือใจของเรานี่คือความจริงที่พวกเราสามารถพิสูจน์กันได้ ว่าทำคำสอนของพระ พ, พุทธเจ้านี้เป็นสันทติกโกผู้ปฏิบัติจะเป็นผู้พิสูจน์ได้ด้วยตนเองไม่ใช่เพียงแต่ฟังเฉยๆการฟังเฉยๆนี้ก็เป็นเหมือนการได้ยินคนเข้ามาเล่าให้เราฟังว่าสถานที่นั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เช่นถ้าเราไม่เคยมาที่วัดยานมาก่อนเวลาที่เราได้ยินได้ฟัง คนเขาบอกว่าวัดยานเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็ฟังได้แต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นดังที่เขาพูดหรือไม่แต่พอเราเดินทางมาถึงวัดแล้วเราเห็นด้วยตาของเราเองแล้วเราก็จะหายสงสัยสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นเช่นเดียวกับคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เช่นกันการฟังอย่างเดียว ก็จะกาจัดความสงสัยให้หายไปได้แต่ยังไม่หมดสิ้นไปถ้าจะให้หายอย่างหมดสิ้นเลยก็จะต้องปฏิบัติธรรมจะต้องปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้ทำบุญให้ละบาปให้ชำระใจให้สะาบริสุทธิ์นะถ้าเราทำไปแล้วเราก็จะเริ่ม เห็นความจริงเห็นว่าความสุขคือคือสวรรค์คือความสุขใจนี้อยู่ในใจเรานรกคือความทุกข์ใจก็อยู่ในใจเราเวลาเราทําบาปเราจะรู้สึกไม่สบายใจทุกข์ใจตอนนั้นแล้ปรากฏแล้วคือนรกเวลาที่เราทําบุญแล้วเรามีความสุขใจ เวลานั้นสวรรค์ได้ปรากฏขึ้นมาในใจแล้วเพียงแต่ว่าจะไม่เป็นไปได้งานเพราะว่าเราทําน้อยแล้วก็เราทําอย่างอื่นมากรบมันต่อไปเช่นวันนี้ทําบุญเดี๋ยวตอนบ่ายเราอาจจะไปทําบาปไปพูดโกหกพอเราพูดโกหกบุญที่เราทําในวันนี้ตอนเช้าก็จะถูกผลของบาป มาทับเอาไว้มากบเอาไว้แต่พอพรุ่งนี้เราได้ใส่บาตเราก็จะได้ผลของบุญกับมากรบมันจะสลับกันเป็นไปอย่างนี้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่แต่พอตอนที่เราตายไปบุญและบาป ท, ที่เราได้ทำสะสมไว้จะมาคิดบัญชีกันจะมาเปรียบเทียบกันว่าใครมีน้าหนักมากกว่ากัน ถ้าบุญมีน้ำหนักมากกว่ากันบุญก็จะพาเราไปสวรรค์ไปสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบาปก็จะฉุดใจของเราให้ไปอุบอบายให้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นนรกบ้างแล้วสภาวะของสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเรา ดาวโลกหรือสวรรค์นี้ไม่ใช่เป็นสถานที่ถ้าเราอยจะหาสวรรค์ในท้องฟ้านี้หาไปจนวันตายก็จะไม่พบถ้าเราจะหาสวรรค์ที่คิดเราคิดว่าอยู่ใต้ดินอยู่ใต้บาดาลเราหาไปจนวันตายก็จะไม่พบเพราะนี่ไม่ใช่เป็นความ จำกัดความของคําว่านรกหรือสวรรค์คาว่านรกก็คือความทุกข์ความรุ่มร้อนใจความเครียดแค้นโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทจะทําให้เกิดความร้อนใจขึ้นมาใจเป็นนรกขึ้นมาส่วนการทําบุญทําให้ใจมีความเมตตากรุณาใจก็จะมีความสุขใจก็เป็นสวรรค์ขึ้นมา เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปถ้าใจมีบุญมากกว่าบาปใจก็จะเป็นสวรรค์ทันทีถ้าใจมีบาปมากกว่าบุญใจก็จะเป็นนรกหรือเป็นอบายไปทันทีเป็นไปจนกว่ากำลังของบุญและบาปมีกำลังเท่ากันคือบุญก็ไม่มีกำลังที่จะลากที่จะดึงให้อยู่ในสวรรค์ต่อไปได้ หรือนรกก็ไม่มีกำลังที่จะดึงให้ไปเกิดในอบายได้บาปไม่มีกาลังที่จะดึงให้ไปเกิดในอบายได้ตอนนั้นก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เวลาที่เรามีบุญกับบาปเท่าๆกันเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาสร้างบุญสร้างบาปใหม่พอเวลาตายไปบุญกับบาปที่เราทำไว้ส่วนไหนมีกำลังมากกว่าส่วนนั้นก็จะดึงเราไป นี่คือเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดร่างกายของเราไม่ไปเวียนว่ายตายเกิดร่างกายของเรามาจากดินน้ำลมไฟเราเดี๋ยวก็จะต้องกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟแต่ผู้ที่จะต้องรับผลบุญผลบาปนี้คือใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายดังนั้นอย่าไปคิดว่าทำบุญทำบาปแล้วศูนย์ คือคิดว่าพอร่างกายตายไปแล้วก็ไม่ต้องไปไลฟ์ใช้ผลบาปผลบุญอันนี้เป็นความคิดของคนตาบอดคนที่ไม่มีตาในคนที่ไม่มีดวงตาเห็นธรรมอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเห็นดวงใจของของพระ อ, องค์และของสาโลกทั้งหลายทรงเห็นว่าดวงใจดวงจิตดวงนี้แลที่เป็นผู้ที่ไม่ตายไปกับร่างกาย แต่จะเป็นผู้ที่จะต้องไปรับผลบุญผลบาปของการกระทําของใจต่อไปจนกว่าจะชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ถ้าใจสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีเหตุที่จะผลักให้ไปเกิดอีกต่อไปใจก็ไม่ต้องไปเกิดเหตุที่จะทำให้ไปเกิดก็คือกิเลสตัณหาความเศร้าหมองนั่นเอง เวลาเราเกิดกิเลสเกิดตัณหาขึ้นมาใจของเราจะมีความเศร้าหมองมีความไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจมีความวิตกกังวลว่าวุ่นขุ่นบัวกระสับกระส่ายกังวลกวายกินไม่ได้นอนไม่หลับนี่คืออาการของกิเลสตัณหาที่จะบังคับให้เราต้องไปหาวิธีแก้ความกระสับกระส่าย เช่นถ้าอยากจะดื่มสุราถ้าอยากจะหายจากการกระสับกระสายเนื่องจากอยากจะดื่มสุราก็ต้องไปหาสุรามาดื่มก็ดื่มไปแล้วความกระสับกระสายนั้นก็จะหายไปเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นวิธีที่จะแก้ปัญหาอย่างถาวรเป็นการสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นมาเพราะหลังจาก หายกระสับกรสายไปไม่นานความอยากเดิมซูลาก็จะกลับคืนมาอีกและจะมาแรงกว่าเดิมเดิมเคยเดิมครึ่งขวดครั้งต่อไปก็อยากจะดื่มเต็มขวดแล้วถ้าครั้งต่อไปก็จะดื่มสองขวดสามขวดไปนี่คือการกระทำที่ทําที่เกิดจากตัณหาความอยากเวลาเกิดความอยากแล้ว ใจจะไม่สบายจะกระสับกระส่ายกังวลกวายวิตกกังวลเช่นคนอยากจะเสพกามามรมอยากจะร่วมเพศก็จะโกดหจิดลำคาญใจต้องไปเสพกามามลมต้องไปร่วมเพศก่อนถึงจะหายจากความหกดหจิดลำคาญใจแต่จะหายเพียงชั่วคราวเดี๋ยวไม่นานก็จะเกิดกะ อารมณ์โอดเหย็ดตามขึ้นมาอีกเพราะเกิดการอารมณ์เกิดความอยากจะเสดกรามอีกต่อไปวิธีที่จะแก้ที่แท้จริงต้องแก้ด้วยการหยุดความอยากที่จะเสดกรามอารมณ์พระพุทธเจ้าก็มีอุบายเช่นให้เรามองส่วนที่ไม่สวยงามอย่าไปมองแต่ส่วนที่สวยงามของคนที่เราอยากจะเสดการามด้วย เช่นให้มองเข้าไปข้างในร่างกายของเขามองไปที่ใต้ผิวหนงังมองให้เห็นโครงกระดูกมองให้เห็นตับไตลำไส้มองให้เห็นสิ่งปฏิกูลเช่นเหงื่อใครสิ่งที่ถูกขับออกมาจากร่างกายถ้าเรามองอย่างนี้กามารมณ์มก็จะหายไป พอการมาลมความอยากจะเสพหายไปความหงุดหงิดลำคาญใจก็จะหายไปทุกครั้งที่เกิดความอยากเราก็ใช้วิธีนี้มาแก้ต่อไปความอยากก็จะหมดกำลังไปแล้วก็จะไม่มีการมาลมไม่มีความอยากที่จะเสพการกับใครอยู่คนเดียวก็จะไม่รู้สึกว้าเหวี่เศร้าส้อยงอยเหงาหงุดหงิดลาคาญใจ นี่คือวิธีที่เราจะแก้ตันหาชั่มะตันหาความอยากให้หมดไปจากใจถ้าเราแก้ได้หมดชั่มละตันหาให้หมดไปจากใจได้แล้วเราจะไม่ต้องไปเกิดใหม่เพราะใจไม่มีตัวที่จะฉุดลากให้ไปเกิดใหม่นั่นเองนี่คือการมาลงเรียกว่ากามาตันหา ซึ่งเป็นหนึ่งในสามของการของตัณหาที่เรายังต้องกำจัดให้ได้การมาตัณหานี้เป็นข้อที่หนึ่ ง, ข, งข้อที่สองก็คือภาะวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นข้อที่สามก็คือวิภาะวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเวลาใจเราเกิดความอยากมีอยากเป็นเราก็จะหดเหงื่อใจ เช่นอยากจะได้ตำแหน่งอะไรสักอย่างหนึ่งเวลาอยากจะได้ขึ้นมาแล้วจะ ก, ะกะังวลกวายกระสับกระส่ายกินไม่ได้นอนไม่หลับเช่นนักเรียนเวลาจะสอบนี่จะมีอาการ ก, รกรังวลกวายกระสับกระส่ายเพราะอยากจะสอบให้ได้ไม่อยากจะสอบตกหรือเวลาไปสมัครงานไปหางานก็เช่นเดียวกันจะมีความรู้สึก กระวนกวายกระสับกระสายเพราะไม่รู้ว่าจะได้งานหรือเปล่านี่เกิดจากความอยากได้งานอยากเป็นพนักงานอยากมีงานทําอยากมีรายได้อยากร่ำ อ, อยากรวยพอมีความอยากเหล่านี้แล้วใจก็จะอยู่ไม่เป็นสุขแต่ถ้าเราหยุดความอยากเหล่านี้ได้เราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนวิธีที่จะหยุดก็คือ ให้เราดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็เคยเป็นพระราชโอรสท่านก็มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากมายท่านก็เคยเป็นใหญ่เป็นโตมาแต่ท่านกลับสละราชสมบัติแล้วไปออกบวชเพราะว่าท่านเห็นว่ามันไม่ได้เป็นความสุขความอยากใหญ่อยากโตนี้เป็นความทุกข์ ท่านก็เลยตัดสินพระไตยไม่อยากใหญ่ไม่อยากโตเพราะท่านอยากจะมีความสงบมีความสุขที่เกิดจากความสงบเพราะเป็นความสุขที่ดีกว่าความความสุขที่ได้จากการเป็นพระราโชโรตพวกเราก็เช่นเดียวกันเวลาที่เราเกิดมีความอยากเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ขอให้เราตรงเสียเถิดว่าเป็นไปก็ไม่มีความสุขเรา พราเป็นใหญ่เท่าไหร่ก็จะไม่มีความพอเวลาเป็นนายร้อยก็อยากจะเป็นนายพันพอได้นายพันก็อยากจะเป็นนายพลพอได้นายพลก็อยากจะเป็นแม่ทัพเป็นผู้บัญชาการพอได้เป็นแม่ทัพแล้วต่อไปก็อยากจะไปเล่นการเมืองอยากจะไปเป็นรัฐมนตรีอยากจะเป็นเป็นนายกนฐมนตรี และถ้ามีมากๆก็อยากจะเป็นพระมาหากษัตริย์อยากจะเป็นพนานาธิปดีคือไม่ต้องการให้ใครอยู่สูงกว่าตนนี่คือตัณหาความอยากพอมีตัณหาความอยากมีอยากเป็นแล้วก็จะดันทุลังต่อสู้ทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ทําสมความบาปถนาสมตามความอยากถ้าจะต้องทําบาปทํากรรม สร้างให้ถ้าสร้างปัญหาให้บ้านเมืองเดือดร้อนก็จะทำขอให้ตนได้เป็นใหญ่เป็นโตเท่านั้นแต่ใจนั้นกำลังเป็นนากกำลังวุ่นวายกับมองไม่เห็นกำลังเนลน็ดลนกับแกงกินไม่ได้นอนไม่หลัอันนี้จะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นกันเวลาที่เกิดตัณหาความอยากขึ้นมา ไม่รู้ว่าวิธีที่จะแก้ก็คือต้องหยุดความอยากอยากไปอยากวิธีแก้ก็คือให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนตำแหน่งต่างๆมันไม่มีอะไรแน่นอนขึ้นขึ้นได้ก็ต้องลงได้เป็นนายกไม่ทันไม่กี่ปีเดี๋ยวก็โดนปฏิวัติก็หมดไปแล้วเรือหมดวาละจากการเป็นนายก ก็ต้องมาเลือกตั้งใหม่นี่คือความจริงที่ไม่ยอมมองกันว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรมีขึ้นแล้วก็ต้องมีลงเป็นธรรมดาถ้าเรามองอย่างนี้ใจของเราจะได้หยุดความอยากได้เพราะไม่รู้ว่าเป็นไปทำไมตายไปก็เอาไปไม่ได้ เวลาอยู่แทนที่จะมีความสงบสุขมีความสุขสบายใจกับมีความเครียดอยู่ตลอดเวลาต้องคอยจัดการกับเรื่องการรักษาตําแหน่งกับการสแสวงหาตําแหน่งไปอยู่เรื่อยๆไปจนวันตายไม่มีความสุขถึงแม้ว่าจะเป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนก็ตามจะไม่มีความสุขใจใจจะเป็นนรกอยู่ตลอดเวลา นี่คือปัญหาของใจที่จะต้องคอยดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาได้อะไรมามากน้อยเท่าไหร่ก็จะไม่พอดังนั้นวิธีที่จะให้เราได้ความสุขได้ความสงบได้การยุติการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องหยุดความอยากความอยากมีอยากเป็นไม่ว่าจะกับเรื่องอะไรก็ตาม เห็นอะไรแล้วอย่าไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ให้ยินดีตามอัตภาพตามมีตามเกิดตอนนี้ฝนตกก็อย่าไปอยากให้หยุดตกตอนนี้อากาศร้อนก็อย่าไปอยากให้หายร้อนั้นฝนจะตกก็ปล่อยมันตกไปอากาศร้อนก็ปล่อยมันร้อนไปถ้าเราไม่มีความอยากแล้วใจของเราจะไม่ร้อนใจของเราจะไม่ทุกข์จะไม่เครียดแต่ถ้าก่อความอยากอยากให้ฝนหยุด อยากให้หายร้อนใจของเราจะเครียดจะไม่สบายใจดังนั้นเราต้องมาแก้ปัญหาของใจเราด้วยการหยุดความอยากอย่าไปทําตามความอยากอย่าไปอยากมีอยากเป็นส่วนการอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็เช่นเดียวกันเราก็อยากไปอยากไม่มีอยากไม่เป็นเช่นเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย อันนี้เราอยากไปอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายถ้าเราอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเราจะทุกข์เราทรมานใจจะเครียดเวลาแก่นี้ต้องหาวิธีแก้ผมขาวก็ต้องย้อมถ้าหนังเหี่ยวก็ต้องไปดึงให้มันตึงทําไปเท่าไหร่เดี๋ยวมันก็ขาวเหมือนเดิมเดี๋ยวมันก็เหี่ยวเหมือนเดิม ไม่มีวันที่จะชนะความแก่ก็ได้ใจก็จะเครียดไปเปลาๆทุกไปเปาๆไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ถ้าไม่มีความอยากไม่แก่ก็จะรู้สึกเฉยๆเวลาผมขาวก็ปล่อยมันขาวไปเวลาหนังเหี่ยวย่นก็ปล่อยมันเหี่ยวย่นไปไม่มีปัญหาใจมีความสุขได้มีความสุขกับการเป็นคนแก่มีความสุขกับการเป็นคนเจ็บไข้ได้ป่วย มีความสุขกับการเป็นคนตายได้ถ้าเราตัดความอยากออกไปได้อย่าไปอยากไม่เป็นนะไม่มีเป็นอะไรก็ให้มันเป็นไปขอให้เรารู้ว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรมันก็เป็นการชั่วคราวเป็นคนแก่ก็เป็นชั่วคราวเป็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นคนก็ชั่วคราวเป็นคนตายก็ชั่วคราวพอตายแล้วมันก็จบไป เวลาตายนี้ตายเดียวเดียวเท่านั้นเองพอเราไม่หายใจเข้าไปก็ตายแล้วไม่มีอะไรมากไปกว่า น, นั้นสำหรับเรื่องของความตายแต่ใจที่กลัวความตายนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายนีแต่จะทุกไปกับความกลัวความตายเท่านั้นคนที่ฉลาดจึงไม่กลัวความตายไม่อยากคือจะไม่อยากไม่ให้ตายเมื่อถึงเวลาตายก็ปล่อยให้มันตายไป แล้วใจจะไม่ทุกข์ใจจะไม่เครียดเพราะใจนี้ไม่มีวันตายอยู่แล้วมีแต่ว่าจะทุกข์หรือไม่ทุกข์มีแต่ว่าจะไปเกิดใหม่หรือไม่เกิดใหม่ใจที่ตัดความอยากทั้งสามได้หมดแล้วเช่นใจของพระพุทธเจ้าและของพระอาหารหันต์ทั้งหลายใจของท่านเหล่านี้ไม่ต้องไปเกิดใหม่อีกแล้วเพราะท่านไม่ต้องการอะไรอีกแล้วไม่ต้องการลาบยศสรรเสริญ ไม่ต้องการความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ต้องการจะเป็นนั่นเป็นนี่ไม่ต้องการที่จะต้องไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใจของท่านไม่มีความอยากเมื่อไม่มีความอยากก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่ไม่มีเครื่องยนต์เมื่อรถยนต์ไม่มีเครื่องยนต์ก็จะไม่สามารถวิ่งไปไหนมาไหนได้รถก็จะจอดอยู่ตรงนั้น ใจของผู้ที่ไม่มีความอยากก็เป็นเหมือนกับรถยนต์ก็จะไม่ต้องไปเกิดในภพต่างๆอีกต่อไปไม่ต้องไปเกิดเป็นม น, นุษย์ไม่ต้องเป็นเทพเป็นพรหมไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรต เ, เป็นนรกใจแบบนี้เรียกว่าพระ น, นิพพานพระนิพพานก็คือใจที่ไม่ต้องไปไหนแล้วใจที่มีความสุขอยู่ตลอดเวลา มีความอิ่มมีความพออยู่ตลอดเวลาแต่ใจนี้ไม่ได้สูญหายไปไหนใจของพวกเรากับใจของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันต์นี้ไม่มีวันสูญหายไปต่างตรงที่ว่าใจของเราหยุดหรือไม่หยุดเท่านั้นเองใจของพระพุทธเจ้าหยุดแล้วเหมือนกับที่พระองค์ทรงตัดสององคุลดีมานที่พยายามวิ่งไล่ฆ่าพระพุทธเจ้า วิ่งเท่าไหร่ก็ไม่สามารถวิ่งทำได้องค์ุลิมานก็เลยตะโกนไปบอกพ่อระพุทธเจ้าว่าขอให้ท่านหยุดทําไมท่านไม่หยุดเราวิ่งแทาเป็นแทบตายพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเราได้หยุดแล้วเธอต่างหาที่ยังไม่ได้หยุดองค์ุลิมานก็ถามว่าหยุดอะไรนี่ก็วิ่งอยู่เต็มที่แล้วเห็นพระองค์ก็วิ่งหนีอยู่ตลอดเวลา แล้วพง ว, ว่าหยุดอะไรพงทรงต์ต่อไปว่าเราหยุดจากความโลภความโกรธความหลงเราหยุดจากความอยากต่างๆไปแล้วพ่อเราหายหลงแล้วเราฉลาดแล้วเรารู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นกองทุกขเป็นความทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นของเราเราไม่สามารถที่จะ เอาอะไรมาเป็นของเราได้พอเราตายไปทุกสิ่งทุกอย่างก็กลายเป็นของคนอื่นไปหมดพอองคุณลิมาได้ยินก็เข้าใจก็เลยกลับมาต่อสู้กับความโลภความอยากจนในที่สุดก็สามารถหยุดใจได้หยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้พวกเราก็เช่นกันถ้าพวกเราอยากจะ หยุดจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่อยากจะกลับมาแก่มาเจ็บมาตายอีกไม่อยากจะกลับมาพัดพลากจากสิ่งที่เรารักจากคนที่เรารักเราก็ต้องหยุดความอยากของเราให้ได้ถ้าเราหยุดความอยากของเราได้แล้วเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดวิธีที่จะหยุดก็ต้องปฏิบัติธรรมโดยต้องเจริญสติเป็นขั้นที่หนึ่งแล้วก็นั่งสมาธิ แล้วก็จเจริญปัญญานี่คือสามขั้นขั้นแรกต้องจเจริญสติต้องควบคุมความคิดให้ได้ต้องหยุดความคิดให้ได้พอหยุดความคิดได้เวลานั่งสมาธิให้ดูลงหรือให้พุโทโธพุโทโธใจก็จะไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวเดียวใจก็จะสงบพอสงบแล้วก็จะนิ่งมีความสุขมีความสบายก็จะรู้ว่านี่คือ ความสุขที่ได้จากการไม่ไปไหนมาไหนไม่ดินน้นรนไม่มีความอยากพอออกจากความสงบนี้เวลาเกิดความอยากก็ให้ใช้ปัญญามาสอนว่าอย่าไปอยากเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มาจะให้ความทุกข์กับเราเพราะทุกสิ่งทุกอย่างต้องพัดพากจากเราต้องเปลี่ยนแปลงต้องหายไปในที่สุดไม่ใช่เป็นของเรา ถ้าสอนด้วยปัญญาอย่างนี้ตัณหาความอยากก็จะถูกนั ง, งับไปพอถูกระ ง, งับไปความสงบและความสุขที่เกิดจากความสงบ ก, ก็จะกลับคืนมาแล้วต่อไปพอไม่มีความอยากแล้วใจก็จะมีความสงบมีความสุขไปตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องไปเกิดคนที่ยังไม่มีความสงบมีความสุขภายในใจ ยังมีความอยากมีความหิวอยู่จึงต้องไปเกิดเพราะต้องไปเอาร่างกายมาเป็นเครื่องมือเอาร่างกายมาเพื่อที่จะได้มีตาไว้ดูมีหูไว้ฟังนั่นเองแต่คนที่มีความสงบใจมีความอิ่มใจพอใจแล้วก็จะไม่มีความหิวก็ไม่ต้องไปเกิดใหม่อีกต่อไปนี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนา ที่พวกเรามาศึกษากันเพื่อให้เกิดความศรัท ธ, ธาเชื่อมั่นว่าพระพุทธศาสนานี่แหละเป็นคำสอนเดียวในโลกนี้ที่เป็นคำสอนที่จะพาให้พวกเราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้อย่างแน่นอนอย่างแท้จริงไม่มีคำสอนใดในโลกนี้ที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ เพราะว่าไม่มีใครมีความสามารถความรู้เท่ากับพระพุทธเจ้านั่นเองที่เห็นความจริงว่าเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดก็คือความอยากทั้งสามนี้เองคือการมาตัญหาความอยากในกา ร, ราาว่าตัญหาความอยากมีอยากเป็นและวิภาวะตัญหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นโชคของพวกเราอย่างยิ่ง ที่เราได้มาพบกับความสอนอันนี้ความรู้อันนี้ที่ไม่มีใครรู้ได้นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวและนานๆจะปรากฏมีพระพุทธเจ้าขึ้นมาในโลกนี้สักครั้งหนึ่งเมื่อหมดพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้านี้แล้วก็ยังไม่รู้ว่าอีกกี่ร้อยกี่แสนล้านปีเราจะได้มาพบกับคาสอนอันนี้อีกแล้วก ดังนั้นขอให้พวกเราจงพยายามช่วยโอกาสที่ดีนี้ศึกษาให้มากฟังให้มากแล้วปฏิบัติตามให้ได้แล้วต่อไปความรู้อันนี้จะฝังอยู่ในใจของเราต่อไปเราไปเกิดในภพหน้าชาติหน้าถ้าเรายังไม่สามารถหยุดความอยากทั้งหลายให้หมดไปได้เราก็จะมีความรู้นี้สอนเราเราไม่ต้องไปรอพระพุทธศาสนา ถ้าเราเข้าใจหลับความจริงว่าความทุกข์การเวียนว่ายตายเกิดนี้เกิดจากความอยากของเราและวิธีที่จะดับความอยากของเราก็คือต้องทำบุญให้ทานต้องรักษาศีลต้องเจริญสตินั่งสมาธิและเจริญปัญญาถ้าความรู้เหล่านี้มีฝังอยู่ในใจของเราแล้วต่อไปเราจะสามารถหยุดการเวียนว่ายตายเกิดของเราได้ โดยที่เราไม่ต้องไปอาศัยพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธศาสานาอีกต่อไปเพราะเราได้มีพระพุทธเจ้าพระพุทธาศาสนาตั้งอยู่ในใจของเรานั้นเองด้วยการศึกษาและด้วยการปฏิบัติธรรมจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อที่จะมาเสริมศรัทธาความเชื่อในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์ในบุญในสวรรค์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 ให้ท่านจงมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวรณนนสุขภาระโดยทั่วหน้ากันเธอ